อความในเทรคาถากล่าวถึงประวัติของพระมหากัจยนะเทระ <c oughs> พระมหากัจยนะเทระนั้นท่านเป็นเอตถคะเป็นผู้เลิศในทางการยอ่อการกล่าวธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโดยย่อแล้วก็ขยายให้พิสดารในคุถกานิกายเทรคาถาอัตฐกานิบาทอัตฐคถา คือคาถาของพระเทระนี่ก็จะมีบางองค์กล่าวแค่คาถาสั้นๆสองบรรทัดบางองค์ก็สี่บรรทัดบางองค์ก็เยอะนะตรงนี้ก็เป็นแปดคาถาด้วยกันก็เลยเรียกว่าอัฏฐกะนิบาต ท, ท่านพระมหากัจยานะเทระแม่นี้ท่านเป็นผู้มีอธิการคือทําบุญอย่างยิ่งคือได้บําเพ็ญมาแล้วบําเพ็ญบุญมาแล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ น, นะก็คือสร้างบุญมาจากพระพุทธเจ้าหลายองค์แล้ว แม้ในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระท่านก็บังเกิดในตระกูลเครือหาบดีมหาศาลก็คือเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมากเจริญวัยเติบโตขึ้นแล้ววันหนึ่งท่านกำลังฟังธรรมอยู่ในสำนักของพระศาสดาพบภิกษุรูปหนึ่งที่พระศาสดาทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้จาแนกอัฏะที่พระศาสดาตรัสไว้โดยย่อให้พิสดาร แม้ตนเองก็ปรารถนาตำแหน่งนั้นคือเห็นแล้วก็เลื่อมใสเลยว่าพระเรพรูปนี้ท่านช่างมีความสามารถจริงหนอท่านสามารถฟังพระพุทธพจน์ย่อๆและท่านขยายให้พิสดานฟังและใจก็ผ่องใสน้อมไปเพื่อเป็นเช่นนั้นบ้างนะนะว่าอยากเป็นเช่นนั้นบ้างอันนี้ไม่ใช่ตัณหาแต่เป็นศรัทธาที่ฝักใฝ่ที่จะเป็นเช่นนั้นก็เลยแม้ตนเองก็ปรารถนา ในกาละแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามวสุมเมทะท่านเป็นผู้ทรงวิชาเหาะไปในอากาศได้เห็นพระศาสดาประทับนั่งในไพรสนแห่งหนึ่งใกล้ภูเขาหิมมวันท่านก็มีใจเลื่อมใสทําการบูชาด้วยดอกกันนิกาลายดอกดอกกันิกาก็คือดอกสีเหลืองใช่ไหมดอกสีเหลืองไหนนะดอกดอกขาวก้านเหลืองเลยเรียกว่าดอกกันนิกา ด้วยบุญกรรมนั้นก็คือด้วยบุญที่เกิดจากการพุทธบูชาเป็นต้นเหล่านั้นท่านก็วนเวียนไปไปมามาอยู่ในสุขตินั่นแหละจนถึงพระศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงกำลังสิบประการพระนาม ว, ว่ากัสสปักคือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้านี้ท่านในบังเกิดในเรือนมีตระกูลในกรงพาณสีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วท่านก็บูชาในที่สร้างเจดีย์ทองคา ด้วยแผ่นอิดทองคำเขาเขาเขาเอาอิดทุกอย่างได้ทําด้วยทองจริงๆเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยพระธาตุของพระองค์ไม่กระจายแบบพระพุทธเจ้าองค์นี้เมื่อไม่กระจายเนี่ยทุกอย่างเขาจะเอาสิ่งที่ประณีตที่สุดเท่าที่จะมีในยุคนั้นเนี่ยนะก็ามาท่านก็สลละทองก็เอามาทําเป็นอิดทองคําซึ่งมีราคาแสนหนึ่งแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอให้สรีระของพระองค์อของข้าพระองค์จงมีสีเหมือนทองคาในที่ข้าพระองค์เกิดแล้วเธอนัก็ปรารถนาขอให้มีผิวเหมือนทองใช่เราทำบุญมาไปปิดทองแล้วก็ขอปรารถนาให้มีผิวเหมือนกับทองนี่ท่านเอาอิดทองแล้วก็ไปตั้งไว้ให้แอบ่างความปรารถนาให้เป็นเหมือนกับทองต่อแต่นั้นมาก็บําเพ็ญแต่กุศลจนตลอดชีวิต คำว่าบนเพิแต่กุศลตลอดชีวิตซึ่งท่านเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าด้วยท่านก็ได้ฟังธรรมมากนนะก็ได้ฟังธรรมมากศึกษาพระธรรมนี่จนตลอดชีวิตในชีวิตพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนี้หลังจากนั้นท่านก็ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุสโลกตลอดพุทธันดอหนึ่งคือจากพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งไปหาพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเนี่ยใช้เวลานา น, านมาก เมื่อใช้เวลานานมากเป็นเทวดาเป็นมนุษย์หลายรอบจึงจะจึงจะจับพระพุทธเจ้าอีกองหนึ่งถึงองค์หนึ่งพั้งของเราทั้งหลายที่มาศึกษานี่ก็คงว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้ในพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ถ้ารอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่นี่ยังไม่ใช้เวลาเท่าไหร่ดีก็จากเรียกว่าจากเรียกว่าเกิดนานมากตัวเลขเนี่ยนะล้านล้านปีก็ถือว่ายังน้อยอยู่ตัวเลขเยอะกว่านั้นเยอะเนี่ย อาจจะเลขศูนย์สักเป็นสิบสิบตัวนี่แหละเลขศูนย์เป็นสิบสิบตัวเพราะอายุนานมากในท่านก็ด้วยบุญที่ท่านทำไว้ดีทำให้ท่านไม่เดือดร้อนนี่นะไม่เดือดร้อนทำให้เกิดในหมู่มนุษย์และเทวดาในพุทธุบาทการนี้คือในสมัยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นในโลกท่านก็บังเกิดในบ้านปุโรหิตของพระเจ้า จันทปโชตในกรุงอุเฉนีก็เป็นลูกของปุโรหิตในวันตั้งชื่อทารกนั้นมารดาก็คิดว่าบุตรของเรามีสีกายเหมือนทองคําพาเอาชื่อของตนมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากันจนะมานพบนั่นแหละกันจนะแปลว่าทองคําอย่างจังหวัดกาญจน์นะจังหวัดกาญจนะบุรีก็คือเมืองทองนั่นแหละกาญจนะ ห, หรือสุวรรณะอันเดียวกั น, นนะก็ชื่อว่ากาญจนะมานพบ ก็คือเด็กชายทองคำอ่ะนะเด็กชายทองคำอะ่ะสมัยนี้ก็มีชื่อเยอะนะบางคนก็ตั้งชื่อแบบไทยๆก็ทองคําบางคนก็ออกชื่อบาลีหน่อยการชนะบ้างการจนาบ้ง า, าบงกระนกบ้างเป็นต้นก็แปลว่าทองทั้งหมดนั่นแหละทารกนั้นเจริญวัยแล้วนะเติบโตขึ้นก็ศึกษาเล่าเรียนไตรเพศจนจบพอบิดาล่วงไปเนี่ยนะนะก็ได้สืบทอดตาแหน่งปุโรหิตต่อจาก บิดานะก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสมควรที่จะทำงานทดแทนพ่อได้เขาปรากฏชื่อว่ากัจจายนะด้วยอํานาจแห่งโคดชื่อจริงนี่ชื่อว่ากันจนะแต่มามีชื่อแบบทุกวันเรียกว่ากัจจายนะเพราะชื่อตามโคดชื่อตามโคดที่เรียกว่าเรียกตามนามสกุลเนี่ยนะพระเจ้าปัจจันทโชตทรงสดับว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วก็ส่งท่าน กัจยณะโคดนี่แหละเข้าไปก็คือก็แต่ก็ไปบอกดีๆนะคุยกับว่าท่านอาจารย์ท่านจงไปในที่นั้นนำเสด็จพระาศาสดามาในที่นี้เถอดก็คือแค่ว่าให้อาจารย์เป็นทูตหน่อยอาจารย์เป็นทูตไปนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองอุเชนีบ้างเถอะกัจยณะนั้นมีตนเป็นที่แปดเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาพระาศาสดาก็แสดงธรรมให้แก่เขาในที่สุดแห่งเทศนา พระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจหลังจากพระพุทธเจ้าประกาศรอริยสัจจบเขาพร้อมทั้งชนอีกเจคนก็ดำรงอยู่ในพระอระหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายบรรลุไม่ยากนะคนที่ทาบุญมามากทาบุญมาเยอะบรรลุไม่ยากของเราก็คิดดูว่าชาติต่อไปถ้าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เราจะบรรลุยากหรือง่ายแนวโน้มันนะก็ดูเอาว่าการศึกษาในชาตินี้เป็นตัววัดผล จะจบเร็วหรือจบง่ายจบแบบยากสุขาปฏิปทาหรือว่าทุกขาปฏิปทาเนี่ยนะ พ, พระมหากจยนะก็กล่าวถึงประวัติของท่านในคำภีอัปทานเอาไว้ว่าพระพิชิตมารพระพิชิตมาร น, นี่แปลว่าอะไรแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้ชนะมานทั้งห้ามีพระนามว่าปทุมุตระพระองค์ผู้ปราศจากตัณหานนะไม่มีตัณหาจุดฆ่าไปในวัตะเนี่ยนะ พระองค์ทรงช่ำนะสิ่งที่ใครๆเอาชนะไม่ได้พระองค์เป็นผู้นําสัตว์โลกพระพุทธเจ้าพนาว่าปฐุมุตระเนี่ยได้เสด็จอุบัติขึ้นในกับที่แสนแต่พัทธกับนี้พัทธกับนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นห้าองค์กับใดที่มีพระพุทธเจ้าเกิดหองค์เรียกว่าพัทธกับถอยหลังจากพัทธกับนี้ไปเมื่อแสนกับที่แล้วพระพุทธเจ้าพนาว่าปทุมุตระเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้กล้ากล้ามีความสามารถมีอินทรีย์สงบเหมือนใบบัวคําว่าอินทรีย์สงบเหมือนใบบัวใบบัวแปลว่าอะไรแปลว่าน้ําที่ตกบนใบบัวก็กลิ้งตกลงไปอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าเห็นได้ยินเป็นต้นก็ไม่ไม่ติดข้องในลักษณะนั้นไม่ข้องด้วยราคะโทสะและโมหะใดๆเลยพระองค์มีพระพักตร์ปราศจากมนทินคล้ายพระจันทร์ คล้ายพระจันทร์เนี่ยครับไม่ใช่แบบพระจันทร์แบบนี้นะเพื่ออุปมาในลักษณะว่ามีหน้าผ่องใสสองรัศมีออกมาฉันใดพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นทีนี้คําว่าพระพักคล้ายดวงจันทร์เนี่ยดวงจันทร์นี่แปลกกระหวะหน้าอัศจรรย์อย่างหนึ่งของดวงจันทร์คือใครที่เห็นชมจันทร์เนี่ยนะจำไม่รู้สึกเครียดสังเกตนะถ้าถ้าดูจันทร์ตอนกลางคืนแบบสว่างเนี่ยนะถ้านั่งชมจันทร์เนี่ยจะไม่รู้สึกตอนที่ดูดวงจันทร์จะไม่รู้สึก เครียดพระพักของพระพุทธเจ้าก็ฉะนั้นดูแล้วก็มีแต่ความสบายใจไม่รู้สึกหนักอกหนักใจเลยทําไมเพราะสีหน้าของพระพุทธเจ้ามีมหากิริยาเป็นสมุทฐานมีฌานเป็นสมุทฐานมีโลกุตระธรรมเป็นสมุทฐานแผ่ร้างออกมาจิตตะชูปเนี่ยนะจิตตะชูปที่เกิดจากสหาชาตปัจจัยนิสยาปัจจัยเป็นต้นเนี่ยเกิดจากจิตชั้นดีทั้งหมดเลยเนยีแม้กระทั่งภวังของพระองค์ก็เป็นมหาวิบากชั้นเลิศ นะมหาวิบากดวงที่หนึ่งชวนะของพระองค์นี้ก็เป็นมหากิริยามีสัพพัญยุตยานเป็นต้นบางทีพระองค์ก็เข้าฌานแล้วก็เข้าโลกุตระฌานจิตเหล่านี้เนี่ยทำจิตตชรูปหมดเลยพันรูปคือพระพักของพระองค์ที่เกิดจากบุญนี้ก็ดีอยู่แล้วเป็นใบหน้าที่งามอยู่แล้วแล้วก็จิตตะชรูปที่ดีเนี่ยนะก็แล้วก็ได้อาหารดีอุตตูดีพันพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าคนเห็นแล้วก็ไม่เบื่อเนี่ยนะ พระองค์นั้นมีผิวปานดังทองคํามีรัศมีสั้นออกจากพระองค์เหมือนรัศมีพระอาทิตย์แปลว่าดูดวงอาทิตย์ยาบตอนเช้าดวงอาทิตย์อ่อนๆเนี่ยนะชันใดเวลาเห็นดวงอาทิตย์สีอ่อนๆก็ระ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นพระองค์นั้นเป็นที่ติดตาตรึงใจของศักดิ์เห็นครั้งเดียวก็จําได้เกือบตลอดชาติประมาณนั้นเนะจด๊ดายไม่ได้เห็นไปเห็นหลวงพ่อเมตตาก่อนก็นแล้วกัน พระองค์นั้นเป็นที่ติดตาตรึงใจของสัตว์ร่างกายของพระองค์นั้นประดับด้วยพระลักษณะอันประเสริฐก็คือมหาบุริสลักษณะ32ล่วงทางแห่งคําพูดทุกอย่างคือหมายความว่าประเสริฐสูงสุดไม่รู้จะอธิบายได้อย่างไรพระองค์เป็นผู้อันหมู่มนุษย์และอมรเทพสการะเป็นที่เคารพ บ, บูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวตานารปูชิโตเนี่ยนะ เทวตานารปูชิโตปูชิโตก็คือบูชานาราก็คือมนุษย์และเทวดาพากาันบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสรู้ตรัสรู้ด้วยปริญญาด้วยปหานะด้วยสัจจิกิริยาด้วยภาวนาสำเร็จกิจเหล่านี้ด้วยพระองค์เองพระองค์ทรงยังสัตว์ให้ตรัสรู้ตามคือพระองค์ทํากิจในอริยสัจฉันใดพระองค์ก็ช่วยให้ผู้อื่นทํากิจในอริยสัจฉันนั้น พระองค์นี้เนี่ยพระองค์นี้นาไปได้อย่างรวดเร็วหมายความว่าสอนให้ผู้อื่นบรรลุโดยไม่ยากถ้าผู้มีอุปนิสัยนะผู้ใดที่มีอุปนิสัยสร้างสมบุญมาเป็นอย่างดีไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยที่พระพุทธเจ้าจะช่วยให้เขาบรรลุเพาะะนนถือว่าไม่ลําบากด้วยธรรมเทศนาพระองค์มีสุรเสียงไพเราะเสียงของพระพุทธเจ้านี่เหมือนเสียงเท้ามหาพรหมเสียงที่ไม่พร่าไม่แตกเสียงก้องเสียงลึกเสียงกังวาน อันนัสำเนียงเหมือนเสียงนกกาเรเวกเป็นต้นพระองค์นี้มีสันดานมากไปด้วยกรุณาคือใครที่ฟังพุทธพจน์อันนะโดยเฉพาะถ้าได้ฟังจากพระโอษฐ์เป็นต้นด้วยจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าพูดทุกอย่างเพื่อให้เราพ้นทุกข์หมดเลยทุกคนจะมีความรู้สึกว่าทุกคําที่พระองค์พูดเนี่ยพูดเพื่อเราทั้งหมดเขาจะมีความรู้สึกกันอย่างนั้นว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นพุทธพจน์จากพระโอษฐ์พุทธพจน์เหล่านั้นเพื่อช่วยเราจริงๆเนี่ยนะเหมือนกับว่าพระองค์มานั่งแก้ปัญหาให้เราเพื่อเรา พันก็พระองค์นี่มากสัตใจของพระองค์นั้นเป็นเช่นนั้นความสันดานของพระพุทธเจ้าเป็นไปด้วยกรุณาสันดานนี่แปลว่าอะไรแปลว่าความเคยชินที่เป็นไปบ่อยชฉวนะโดยมากของพระพุทธเจ้าเนี่ยสัมปยุต ด, ด้วยกรุณาเนี่ยนะมีกรุณาพระองค์นี้แกล้วกล้าในที่ประชุมชนเนี่ยนะไม่ใช่ไปนั่งน้อยเนี่นะนเป็นต้นเป็นพลที่แกล้วกล้าองอาจพระองค์นั้นแสดงธรรมอันไพเราะ ทำที่ไพเราะที่พระองค์แสดงก็คือประกอบด้วยสัจจะทั้งสี่ทุก์สมุทยัยนิโรธมรคคาว่าไพเราะก็ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยนะก็แสดงทุกข์สมุทยัยนิโรธแล้วก็มรคมรค ก, ก็แสดงศีลสมาธิและปัญญาวิมุตมติยานุทัศนะการแสดงอริยสัจของพระองค์คือการฉุดขึ้นซึ่งหมู่สัตว์ที่จมอยู่ในเปือกตมคือโมหะโครนตรมคือโมหะเนี่ยนะ คโคลนตมคือโมหะที่มันฉุดเอ่อเรียกว่าที่มันสูบดูดสัตว์ให้จมลงไปในอบายเป็นต้นการแสดงธรรมของพระองค์ก็เหมือนกับว่าการฉุดขึ้นฉุดให้ขึ้นจากเปลือกตมคือโมหะนะก็พระพุทธคุณนะสรวว่าพระพิชิตธาารรมพนามว่าปทุมตระผู้ปราศจากตันหาทรงชันะสิ่งที่ใครๆเอาชนะไม่ได้เป็นผู้นำได้เสด็จอุบัติขึ้นในกับที่แสนแต่พัทกับนี้ พระองค์เป็นผู้แกล้วกล้ามีพระอินทรีซีเหมือนใบบัวมีพระพักตร์ประะาศจักมนตทินคล้ายพระจันทร์มีพระชวิวันปานดังทองคำมีพระสมีส่านออกจากพระองค์เหมือนรัศมีพระอาทิตย์เป็นที่ติดตาตรึงใจของสัตว์ประดับด้วยพระลักษณะอันประเสริฐล่วงทางแห่งคำพูดทุกอย่างอันหมู่มนุษย์และอมรเทพสการะ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองทรงยังให้ทรงยังสัตว์อื่นให้ตรัสรู้ตามทรงนําสัตว์ไปได้อย่างรวดเร็วมีพระสุรเสียงไพเราะมีพระสันดานมากไปด้วยพระมหากรุณาทรงแปล้วกล้าในที่ประชุมพระองค์ทรงแสดงธรรมอันไพเราะซึ่งประกอบด้วยสัจจะสพระองค์ทรงฉุดขึ้นซึ่งหมู่สัตว์ที่จมอยู่ในเปลือกตมคือโมหะดังนั้นเราเป็นดาบทสัญจรไปแต่คนเดียว มีป่าหิมพผ่านเป็นที่อยู่อาศัยเมื่อไปสู่มนุษย์สโลกทางอากาศก็พบพระพิชิตมานแม่ฤาษีคนนี้เหาะได้เนี่ยนะและเข้าไปเฝ้าพระองค์ได้สดับพระธรรมเทศนาที่ประกาศอริยศาสตร์ของพระธีรธเจ้าผู้ทรงพันนาคุณอันใหญ่ของพระสาวกอยู่คือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือแสดงอริยศาสตรใช่ไหมอริยศาสตร์ผู้ที่ตรัสรู้อริยศาสตร์เรียกว่าพระสาวก ผู้ที่เป็นสาวกก็มีหลายกลุ่มด้วยกันมีสาวกอยู่องค์หนึ่งที่เราไม่เห็นว่าเป็นสาวกองค์อื่นในธรรมวินัยนี้ที่ที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์เนี่ยนะยกย่องว่าเราไม่เห็นสาวก ค, คนอื่นใดในพระธรรมวินัยนี้ที่เสมอเหมือนกับกัจจายนะภิกษุนี้คือคือชื่อชื่อมันก็ซ้ำๆกันนะนะก็ว่ามีพระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลของพระพุทธเจ้าเมื่อแสนกับที่แล้วเนี่ย ไม่มีองค์อื่นเสมอเหมือนที่ประกาศธรมที่เราแสดงแล้วแต่โดยย่อให้พิสดารได้กัจจายนะนี้ทำบริษัทและเราให้ยินดีเพราะฉะนั้นกัจจยนะภิกษุนี้จึงเลิศกว่าภิกษุผู้เลิศในการกล่าวทำได้โดยพิสดารซึ่งอัฏฐะแห่งคาสิทธ์ที่เรากล่าวไว้แต่โดยย่อนั้นภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงจาไว้อย่างนี้เถิะคือจาเอาไว้นะว่า จำมาไว้เถอะว่ากัจจยนะเนี่ยสามารถแสดงคําที่เราแสดงแบบยอ่อขยายได้อย่างกว้างขวางเป็นที่ทําให้บริษัทก็ยินดีแม้แต่พระองค์ผู้เป็นพระพุทธเจ้ายัางยินดีจําไว้เถอะว่าองค์นี้เลิกในการแสดงคําโดยย่อให้พิสดาร น, นะนะจำมาไว้เลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าฟังพุทธพจนที่ไหนยอ่อไปถามพระมหากัจจายนะนะนะเรียกว่าผู้ละไม้คล้ายพระพุทธเจ้าในการจําแนกธรรมเนี่ยนะนะ ครั้งนั้นเราได้ฟังพระดำรัสอันรื่นรมใจแล้วเกิดความอัศจรรย์จึงไปป่าหิมะพานเรานำเอากลุ่มดอกไม้มาบูชาพระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกแล้วปรารถนาฐานันดรนั้ น, น, น, นปรารถนาตำแหน่งนั้นบ้างอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างทาบุญด้วยดอกไม้แล้วตั้งความปรารถนา ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าผู้ทรงละกิเลสเป็นเหตุให้ร้องให้นะพระพุทธเจ้าผู้ละกิเลสที่เป็นเหตุให้ร้องให้มีกิเลสตัวไหนมัางไม่นํามาไม่นํามาซึ่งความร้องให้ในภายหลังก็ได้ยินไหมมีโรคในะที่สุดมันก็นํามาซึ่งความเศร้าของมันกิเลสที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ดีมันไม่ดีก็คือจุดจบของกิเลสก็คือความ น้ำตานองหน้าน่ะแหละมันนําตาของสัตว์ทั้งหลายจึงมากกว่าน้ําทะเลใช่ไหมท่า น, นพระองค์ก็เลยบอกว่ามันมีโทษเนี่พระพุทธเจ้าชนะกิเลสที่เป็นเหตุให้ร้องไห้พระองค์ทราบอัธยาศัยอัธยาศัยคืออะไรสอัธยาศัยที่มีศรัทธาปรารถนาที่จะเป็นเช่นกับพระกัจจายนะนั้นนะพระองค์ก็พยากรณ์นะคือคือท่านทำบุญด้วยอ่านะคือฟังแล้วก็เลื่อมใสามาก ไปเก็บดอกไม้มาบูชาแล้วตั้งใจจะเป็นอย่างนี้จริงๆโดยที่ไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นได้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็พยากรณ์พยากรณ์คือพระพุทธเจ้าเนี่นะพระคิดไงหนึ่งพระองค์แค่ลืมตาเนี่พระองค์ก็รู้แล้วอนาคตอนาคตต่อไปนี่คืออะไรากั้นพระองค์ก็เลยพยากรณ์ว่าจงดูฤษีผู้ประเสริฐนี้ซึ่งเป็นผู้มีผิวพรรณเหมือนทองคําที่ไล่มลทินออกแล้ว มีโลมาชาติชูชันและมีใจโสมนะแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยพระฤาษีเขเนี้ยนะขนลุกอยู่ตลอดเวลาดีใจมากเลยนะยืนประนมอัญชลีนิ่งไม่ไหวติงเยนะร่าเริงมีในตาเต็มดีมีอัธยาศัยน้อมไปในคณของพระพุทธเจ้าใจของเขาเนี่ยมีพระพุทธคุณมีธรรมะเป็นธงถือเอาธรรมเนี่ยเป็นใหญ่ธงนะชูธรรมเป็นหลักมีใจร่าเริงเหมือนกับถูกรดด้วยน้าอำมะตะ เขาได้สดับคุณของกัจจายนะพิสุนั้นพอฟังคุณอย่างนี้เข้าจึงได้ปรารถนาทันดรฐานนันดร น, นั้นในอนาคตการฤศีผู้นี้จักได้เป็นธรรมทายาธธรรมทายาก็คือผู้อะไรผู้รับมรดกธรรมคือโลกุตระธรรมของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมมหามุนีะจะเป็นธรรมทายาคือรับโลกุตระธรรมจากพระโคดมมหามุนี กัจจยนะนี้เป็นโอรสอันธรรมะคืออริยสั id, จเนรมิตรจกเป็นสาวกของพระศาสดามีนามว่ากัจจายนะเขาจกเป็นผหูสูตผูหูสูดก็คือเป็นคนที่พิจารณ์ผหูสูดมีอยู่สองกลุ่มคือฟังมากกับพิจารณามากเรียกว่าผหูสูดแบบปริยัดกับแบบปฏิเวทเนี่ยนะใครควรมากกว้างขวางอย่างลึกซึนเนี่ยนะและมียานใหญ่คือยานใหญ่ไหมครับว่ากว้างขวางมาก รู้อธิบายแจ้งชัดเป็นนักปรัสจัดถึงฐานนันดอนนั้นดังที่เราได้พยากรณ์ไว้แล้วแสดงว่าความสามารถของพระมหากจรยนะเนี่ยนะเมื่อแสนกับก่อนพระพุทธเจ้าก็รู้แล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แลในกับที่แสนแต่กับนี้เราได้ทํากรรมใดไว้ในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยเนีนะสำคัญก็อย่างที่กล่าวว่าบุญเนี่ยทำโดยเถอดแต่ว่าถ้าจะไม่ให้ไปอาบายก็อย่าทำบาปก็แล้วกัน เราไม่ทำบาปนั่นแหละจึงไม่ไปสู่ทุกขตินี้เป็นผลแห่งพุทธบูชาผลแห่งพุทธบูชาทำให้ไม่ไปสู่ทุกขติเราท่องเที่ยวอยู่แต่ในภพสองคือเทวดาและมนุษย์คติอื่นเราไม่รู้เลยนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชาการบูชาพระพุทธเจ้าทำให้ไม่รู้จักนรกเปรตอสุรากายดิรชานรู้จักแต่มนุษย์กับเทวดาเราเกิดในสองสกุลคือสกุลกษัตริย์และสกุลพราหมณ์ เราไม่เกิดสกุลที่ต่ำสามนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชาอันท่าผู้ใดปรารถนาะท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ต้องการต้องการเกิดในสกุลกษัตริย์สกุลพราหมณ์ก็ให้บูชาพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าในภพสุดท้ายเราเกิดเป็นบุตรของ ต, อติริติวัชพราหมณ์ผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าจันทประโชดในพระนครอุเชนีอันน่ารื่นรม เราเป็นคนฉลาดเรียนจบไตรเพศไตรเพศนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเรียนง่ายเท่าไหร่นะคำพีเป็นตั้งๆเหมือนกันนะแล้วก็แบบเรียนเขาเรียนก็ไม่ใช่เรียนอ่านนะเรียนท่องอ่ะนะคําว่าเรียนจบเนี่หมายว่าท่องจบหมดเลยจําได้หมดเลยก็อยู่ที่ปลายลิ้นหมดส่วนมารดา ข, ของเราชื่อว่าจันทนประทุมาเราชื่อว่ากัจจายนะเป็นผู้มีผิวพรรณงามเราอันพระเจ้าแผ่นดินทรงส่งไปเพื่อพิจารณาพระพุทธเจ้า คือในในสมัยนั้นเนี่ยนะก็กิติศัพท์อันงามของพระพุทธเจ้าขยายไปแล้วว่าพระองค์เป็นผ้าอาหารเป็นต้นระบือเลือไปไกลเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ยินเขาก็บอกว่าจริงหรือเปล่าก็เลยส่งปุโรหิตผู้ที่มีความรู้นี้ไปเพราะว่ากัจจายนะพราหมณ์คนนี้เนี่ยทรงจําคำัมภีร์มหาปริศลักษณะทั้งหมดพอเห็นปั๊บเนี่ยรายม น, นรู้หมดเลยว่าเขาเป็นจริงหรือไม่โดยลักษณะเนี่ยนะคือลักษณะของคนเนี่ยมันบอกนิสัยคนเหมือนกัน มันก็อาไปดูลักษณะกล้กานก็เลยพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยส่งไปเพื่อพิจารณาพระผู้แตเจ้าได้พบพระผู้นำพระผู้นำก็คือพระผู้เป็นโล ก, กัายกเนี่ยนะซึ่งเป็นประตูของโมคขบุรีพระผู้แเจ้ า, าเหมือนประตูพระนิพพานเคลื่อนที่นะพูดอีกในหนึ่งนะเหมือนประตูนิพพานเคลื่อนที่ไปที่ไหนก็ไปสอนให้ผู้อื่บนบรรลุพระนิพพานพระองค์เป็นที่สั่งสมคุณเป็นบ่อกเกิดข้งคุณสารพัดอย่างเนี่ยนะและ เราได้สดับพระพุทธภาเศ็ตอันปราศจากมนทินเป็นเครื่องชำระล้างเปลือกตมคือคติได้บรรลุอมตะธรรมอันสงบประงับพร้อมด้วยกับบุรเจ7คนที่เหลือเข้าเฝ้าครั้งแรกเป็นท่านหันเลยนะ<ม>ออบุญเนี่ยทำไว้ดีแล้วเนี่ยสบายจริงๆแลนะ้วนยดีจริงๆเลยเราเป็นผู้รู้อธิบายในพระมติอันใหญ่ของพระสุคตเจ้าได้แจ้งชัด พระมรรติก็ ค, คือความเห็นของพระพุทธเจ้าสมมว่าพระ อ, องค์พูดมาอย่างนี้ปั๊บท่านขยายได้แลยพระ อ, องค์ก็ต้องส า, สาธุสาธุพูดดีแล้วนะมีแต่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยก็ดูในเช่นกันจจายนะพัทเทกรตะสูตรเป็นต้นเนี่ยในที่ที่พระสูตรที่พระหมหากัจจยนะขยายได้ได้อย่างไพเราะเนี่ยเพราะฉะนั้นพระาศาสดาทรงแต่งตั้งเราไว้ในตําแหน่งเอตทคขะ เลิศ ก, กว่าพระพิสูผู้แสดงนะแสดงอัฏภาติโดยย่อให้พิสธรรเราเป็นผู้มีความปรารถนาสำเร็จด้วยดีแล้วนะความปรารถนาะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะความปร า, นะาปรถนาะที่ดีปรารถนาะที่ถูกต้องเหตุให้ประสบแต่ความสุขและความเจริญก็ถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์ แล้วก็เป็นพระ้ารันที่ช่วยทํากิจสงเคราะห์สรพรพสัตว์ทั้งหลายตามพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าท่านก็ทํำโลกัาธจริยาตามสมควรแก่ความปรารถนาของท่านครั้งนั้นพระศาสดาก็เยียบพระหัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถอดเนี่ยนะฟังทำจบบรโลุเป็นพระ้ารานบอกจงเป็นภิกษุมาเถิดบวชโดยเอหิพิขุอุปสัมปทา ในขณะนั้นนั่นเองท่านก็มีผมและหนวดเพียงสององคุรีคือไม่เกินสองนิ้วมีบาทและจีวรที่สําเร็จด้วยริดเป็นผู้คล้ายพระเทระพันษาหกสิบบวชแป๊บเดียวเนี่ยนะเหมือนดูเหมือนพระทันษาหกสิบทันทีเพราะอะไรเพราะเป็นพระอาหารหันต์พระเทระทำประโยชน์ของตนให้สําเร็จด้วยประการชนนี้เสร็จแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าปัจจันตชนส่งปรารถนาเพื่อจะไหว้ที่พระบาทคือต้องการจะกราบเท้าพระพุทธเจ้าและเพื่อจะทรงสดับพระธรรมของพระองค์พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าภิกษุเธอนั่นแหละจงไปในที่นั้นเมื่อเธอไปแล้วพระราชาก็จักเลื่อมใสคือปกติเนี่ยนะพระเจ้าปัจจันตชนก็เชื่อกระจายนะพรามอยู่แล้วถ้าเป็นพระอรหันต์ไปสอนขยายธรรมได้ยังไงพระเจ้าปัจันตชนก็เลื่อมใสเพราะฉะนั้น ให้ไปส่งเคราะห์พระเจ้าประจารตะโชดเถอะพระเถระมีตนเป็นที่แปดก็ได้ไปในที่นั้นตามพระดำรัสของพระศาสดาทำให้พระราชาเลื่อมใสให้ปฏิสถานพระศาสนาในแคว้นอวันตีชนบทแล้วก็ได้ไปเข้าพระศาสดาเข้าไปเฝ้าพระศาสดาอีกครั้งหนึ่งคือพระมหากระจายนะเนี่ยเป็นเป็นพระที่ที่มีความรู้มีความสามารถผิวพรรณงดงามเหมือนกับทองคา มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะความที่พระพระมหากจรยนะเนี่ยเป็นผู้ที่งดงามมากสโสระยะบุตรเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยนะสระยะบุตรเศรษฐีนี่ก็ไปเห็นเขาพอไปเห็นปั๊บอกุศลจิตก็เกิดเลยขอขอให้มีเราให้งามเราเพึ่งได้เมียงามเช่นนี้หรือว่าคล้ายๆว่าคือก็ปรารถนาอยากให้มีแม่บ้านงามเหมือนกับพระมหากจรยา น, นะคิดไปคิดมาแปลงร่างเป็นผู้หญิงทันทีเลย กลายร่างเป็นผู้หญิงทันทีด้วยจิตที่คิดไม่ดีกับพระอราหันเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ตอนหลังก็กขอเข้ามาพระเถระนี้พระเถระท่านก็เห็นโทษของของสรีระที่งดงามเนี่ยนะว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งอกุสโรจิตของบุคคลไม่ใช่น้อยก็เลยอธิษฐานอธิษฐานให้ให้ไม่งามเท่าไหรนะ่อ่ะนีทีนี้ไอ้ไม่งามอีกก็มีโทษอีกมีอยู่ครั้งหนึ่งวสการะพราหมณ์ก็าจะดูถูกโอ้ยเหมือนลิงเลยเหมือนกันพระรูปนี้เหมือนลิงเลย ก็เลยสมพรปากเองนันน่นกันก็ตัวเองก็ไปเกิดเป็นลิงไอ้มานะของพรามจริงๆถ้าขอโทษมันก็ไม่ได้เกิดหรอกแต่ว่าไม่ได้ขอโทษไม่ได้พอรู้ว่าตัวเองจะเป็นลิงสั่งให้คนปลูกกล้วยเลยปลูกกล้วยไว้ที่เวรวุวันแล้วก็ไปเกิดเป็นลิงกินกล้วยอยู่แถวนั้นนะนะพระพิสุกัตถ์เป็นไงวัสกาหนงลิงนเงียบก็พอจะละเลิศชาติได้อยู่บ้างอ น, น, นะลิงนั้นก็เป็น พระเถระทั้งหลายที่ที่เป็นบุคผู้ที่บุคคลนับถือมากเนี่ยโดยเฉพาะสายจีนเนี่ยนะจะนับถือพระหมหากจรยนะมาก เ, เพราะว่าพระหมหากจรยนะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนเนติปรกรณ์เป็นต้นไปแล้วเนี่ยนะเราก็คงไม่ลืมที่จะกราบไหว้บูชาพระหมหากัจรยนะตามที่ต่างๆให้เราระลึกถึงว่า ท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาขยายพระธรรมโดยย่อให้พิสดารได้เนี่ยนะน้องบูชาสาการะกราบไหว้ท่านเพื่อเป็นเหตุให้เราเนี่ยสามารถเห็นพระธรรมแม้แต่น้อยนิดก็ขยายให้เป็นไปตามพระธรรมคาสอนได้ก็จะเบื่อหน่ายในการบูชาพระท่านเหล่านั้นเพราะว่าการบูชาพระหมหากัจรยนะเป็นต้นที่ทรงคุณเช่นนี้ใครเล่าจะนับบุญได้เนี่ยนะในพระเถระนั้นมีอยู่วันหนึ่งท่านเห็นภิกษุ เป็นอันมากพากันละทิ้งสมณธรรมนะไม่สนใจในการเจริญสมถะวิปัสนาไม่สนใจในการปฏิบัติตามคำสอนกลุ่มภิกษุเหล่านั้นยินดีแต่ในการงานยินดีแต่ในการก่อสร้างยินดีแต่ในการคลุกคลีพอใจด้วย ร, รสรษะตัญหาสแสวงหาเพียงเพื่อปากเพื่อท้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความประมาทไปวันๆหนึ่งนะ